สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่เจ็ดสิบสี่เรื่องคนชอบทำและคนอธรรมพี่น้องครับวันนี้สุภาษิตบทที่สิบสองก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ามีข้อยี่สิบแปดนี้เป็นข้อสุดท้ายโปรดฟังพรชนะของพระเจ้าไม่มีความชั่วตกอยู่กับคนชอบทม แต่คนชั่วร้ายเต็มด้วยความลำบาก <c oughs> ลิ้มฝีปากที่พูดมุสาเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่บรรดาผู้ประพฤติความซื่อสัตย์เป็นที่ปิตยยินดีแด่พระองค์คนอย่างรู้ย่อมเก็บความรู้ไว้แต่คนโง่เปล่าร้องความโง่ของตนมือของคนที่ขยันขันแข็งจะครอบครอง ฝ่ายคนเกียรคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานโยธาความกระวนกระวายของคนถ่วงเขาลงแต่ถ้อยคำที่ดีกระทาให้เขาชื่นชมคนชอบทำหันจากทางชั่วร้ายแต่คนทางของคนชั่วร้ายนําเขาเองให้เจนไปคนชั่วร้ายจะจับเหยื่อของเขาไม่ได้แต่คนขยันขันแข็งจะได้ทรัพย์สินคารประเสริฐ ในวิถีของความชอบธรรมเป็นชีวิตแต่ทางของความผิดนำไปถึงความบรณาพี่น้องครับคนชอบธรรมและมีคุณธรรมนั้นจุดหมายปลายทางเขานั้นแตกต่างกันกับคนอธรรมจุดหมายที่แตกต่างกันนั่นเองก็เป็นเรื่องใหญ่มากแต่ในขณะเดยียวกันครับคนชอบธรรมและคนอาธรรมนั้น เขาก็เดินไปตามทางของตัวเองในระหว่างทางนั้นสิ่งที่เขาเผชิญอยู mm. ่เขาน่าจะรู้ครับว่า mm. เขาเดินถูกทางหรือผิดทาง mm. เขาเดินไปในทางไหน mm. น่าเสียดายครับที่สอนแล้วสอนอีกพระธรรมสุภาษิตพระเจ้านักของพระเจ้าเตือนแล้วเตือนอีก mm. เขาก็ยังไม่รู้คนนั้นทํานั้นก็ยังไม่รู้คนชั่วร้ายก็ยังไม่กลับใจ พระธรรสุภาษิตนั้นเขียนขึ้นมาเพื่อจะตักเตือนคนเหล่านั้นและเพื่อให้กํำลังใจต่อผู้ที่ชอบทำบรรดาลูกของพระเจ้าพวกเราเองนั้นจะต้องมีกําลังใจในการเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจครับว่าเราเดินมาถูกทางแล้วเพราะเนื่องจากว่าเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเองคนชอบธทำนอกจากจะมีความปิติยินดีชื่นบานในชีวิตของเขา เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาอยู่ห่างไกลจากความชั่วร้ายไม่มีความชั่วร้ายใดๆที่ตกอยู่กับคนชอบทำเพียง ค, ครับคาที่น่าสังเกตตรงนี้ก็คือว่าคาว่าตกอยู่กับคนชอบธทมหมายถึงการที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นหรือพระเจ้าไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นสาหรับคนชอบธรรมนั้นพระเจ้าไม่อนุญาตนะครับให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น แต่สาหรับคนรมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นพี่น้องครับมันต่างกันตรงนี้เพราะว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาพระพรของพระองค์ในการเดียวกันครับพระเจ้าก็เป็นผู้บังคับบัญชาถึงสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่อนุญาตให้สิ่งไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรา หรืออนุญาตให้มารซาตานนั้นเข้ามาส่งอิทธิพลของมันส่งผลกระทบของมันกับชีวิตของพวกเราเราต้องระวังครับที่จะเป็นคนที่ชอบทำํำเราจะมีความปิติยินดีมีความชื่นบานพระเจ้านั้นส่งเกลียดชังเรื่องการพูดมุสาเป็นอย่างมากครับถามว่าทํำไมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับ มาตรฐานของพระเจ้าหรือพระศาสนาของพระองค์ตรงนั้นทจงเป็นความจริงจงเป็นชีวิตใช่ไหมครับพระเยซูตรตัสอย่างนั้นพระเจ้าเป็นความจริงสูงสุดหรือเป็นสัจธรรมที่เที่ยงแท้เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงเกียดชังการพูดมุสาครับเพราะการพูดมุสานั้นทําให้เกิดความอรรมัดทำทำให้เกิดความอายุติธรรมเกิดขึ้นแต่ในขณะที่คนพูดความจริงนั้นก็กําลังก่อเกิดความชอบธรรมความยุติธรรม เป็นการส่งเสริมให้ความยุติธรรมนั้นสามารถเปล่งประกายออกมา <c oughs> พี่น้องครับการโกหกนั้นคือความเท็จเป็นที่เกลียดชังของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับอย่ากโกหกเลยแม้ว่าเราจะอยู่ในหมู่คนที่ชอบโกหกอยู่ในหมู่คนที่พูดไม่เป็นความจริง <c oughs> พูดเล่นพูดสิ่งที่เป็นความเท็จในขณะที่ ความจริงนั้นทําให้เกิดความยุติธรรมความเท็จก็ทําให้เกิดความอยุติธรรมครับก็ต่อไปคนอย่างรู้จะไม่กรวนกระวายที่จะแสดงความรู้ของเขาเขามักจะพูดน้อยหรือไม่พูดหรือเลือกจังหวะที่จะพูดให้ถูกต้องดังนั้นเองคาพูดของเขานั้นจึงมีน้ําหนักและน่าเชื่อถือสามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังได้เพราะว่าเขาพูดความจริงและเขาไม่กลัว ไม่เหมือนกับคนโง่ครับที่ชอบพูดความโง่ของเขาออกมาทําให้คนอื่นรู้ครับคนอื่นรู้ว่าเขาไม่มีอะไรพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะว่าหลายคนทีเดียวเวลาที่พูดคุยกับคนอื่นก็มักจะแสดงความไม่รู้และความโง่ออกมาในข้อต่อไปครับความขยันขันแข็งและความเกลียดชังถูกเปรียบเทียบกันครับ คนที่ขยงขันแข็งจะครอบครองหมายความว่าคนข็งขันแข็งนั้นเขาจะสามารถรับผิดชอบต่อสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตและผ่านทุกๆสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ได้ในทางกลับกันครับความเกลียดแค้นก็ทำให้คนเหล่านั้นตกต่าลงและมีชีวิตที่ยากลาบากมากขึ้นคนที่เกลียดแค้นนั้นจะถูกลดขั้นลดตาแหน่ง คนที่เกียดรตานั้นจะถูกลดเงินลดค่าจ้างยากจนคนเหล่านี้อดอยากหิวโหวยจึงต้องหาวิธีคดโกงได้มาซึ่งทรัพย์ที่ไม่เที่ยงแท้หาวิธีการคอรับชั้นหาวิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ที่นี้ครับเราจะต้องกลับมาเป็นคนขยันขันแข็งครับเพื่อเราจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้และจะครอบครองจะรับผิดชอบ ต่อทุกสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่ได้แล้วเราจะไม่วิตกกังวลครับความวิตกความกังวลนั้นทำให้เราตกต่ำลงเราแย่ลงแต่ในขณะเดียวกันครับถ้อยคำของคนที่ชอบทำนั้นสามารถที่จะช่วยคนที่กระวนกระวายคนที่วิตกกังวลให้รู้ว่เขารู้สึกดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นครับถ้อยคำแห่งการหนุนใจก็จะทำให้ภาระของคนเบาลงครับ เพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะแสวงหาที่จะรับการหนุนใจรับการรับความสนใจจากคนอื่นเป็นผู้ที่หนุนใจคนอื่นครับพี่น้องครับคนชอบทำเขาจะไม่คบใครเป็นเพื่อนง่ายๆเขารู้จักเลือกเพื่อนที่ดีครับเลือกเพื่อนที่ประเสริฐคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเขารู้จักค้นหาเพื่อนที่ดีแต่คนชั่วร้ายไม่สนใจว่าใครจะเป็นเพื่อนของเขาครับและเขาเป็นเพื่อนกับใคร และจะนําคนอื่นให้หลงไปเพราะว่าพวกเขาอยู่บนทางที่ผิดครับเขาอยู่ในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นเขาก็นําพวกพรรพวกของเขาไปในทางที่ผิดพี่น้องครับเราจะต้องเลือกเพื่อนให้ดีครับเราจะต้องเลือกพี่เลี้ยงให้ดีที่พี่เลี้ยงเหล่านั้นเขาจะดูแลและให้คาปรึกษาชีวิตของเราได้ต่อไปครับคนเกียรติค้านปฏิเสธที่จะย่างเหยื่อของเขาคนเกียรตค้านจะไม่ยอมแม้แต่จะทําอาหารกินเองครับ เขาล่าเหยื่อมาได้หรือเขารับเหยื่อมาจากคนอื่นแต่ก็ยังขี้เกียจปรุงขี้เกียจทาในทางกลับกันครับคนขยันก็ทำให้คุณค่าของเขานั้นของสิ่งที่เขาหามาได้นั้นเพิ่มพูนครับเขารู้จักแต่งสีแต่งสันเขารู้จักที่จะทำให้เพิ่มมูลค่าของของที่เขาหามาได้ นะครับแต่คนเกียรติค้านไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่เขามีอยู่ครับข้อต่อไปครับการกระทําที่ชอบทำนั้นจะนําผู้ชอบทำไปสู่ชีวิตที่ยืนยาวและนิสัยที่ชั่วร้ายนะครับก็จะทําให้ชีวิตนั้นสั้นลงหลายครั้งทีเดียวนะครับเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นะครับของการทําให้ชีวิตสั้นและชีวิตยาวเพราะอะไรครับเพราะว่า ถ้าเราเป็นคนชอบทำเราจะรู้จักที่จะสงวนชีวิตรู้จักที่จะดูทางที่อยู่ข้างหน้าถ้ามันอันตรายเราจะไม่เอาตัวเราอยู่ในความเสี่ยงนั่นก็ทำให้ชีวิตของเรายืนยาวครับแต่คนอธรรมหรือคนชั่วร้ยหรือคนโง่นั้นไม่รู้นะครับว่าข้างหน้ามีอันตรายอยู่และเขาเดินต่อไปชีวิตของเขาก็จบลงอย่างน่าเสียดายพี่น้องครับชีวิตเลือกได้นะครับ จะเลือกเป็นคนชอบรำหรือจะเป็นคนอาธรรมจะเลือกเป็นคนเกียรติค้าหรือเป็นคนกะยันจะเลือกเป็นคนอย่างรู้หรือเลือกเป็นคนเขาจะเลือกเป็นคนพูดความจริงหรือจะพูดโกหกจะเลือกเป็นคนขี้กังวลขี้วิตกหรือจะหวางใจในพระเจ้าจะเลือกเป็นคนสุขุมหรือเป็นคนที่เบาปัญญาพี่น้องขับชีวิตเลือกได้อาเมน